กิจอาจารย์นั้นท่านาจะรู้มาสูงสุดบรรลุธรรมแต่ว่าการสื่อความหมายกับคนที่อยู่อีกระดับหนึ่งเนี่ยกับเขาสื่อความหมายกับไม่ได้เพรฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดกับไม่เป็นประโยชน์ในการสื่อความหมายขาดการสื่อความหมายที่อาจารย์เองได้เห็นได้ศึกษาข้อบกพร่องเหล่านี้ว่าหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณสมบัติ มีคุมธรรมสูงใช้เวลาปฏิบัติประสบการณ์มาตลอดชีวิต 23, 24, 25, 20 30 40 50ปีแต่การทีซื่อความหมายสิ่งที่ประสบการณ์ชีวิตของท่านออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้กับไม่ไม่สามารถเข้าใจได้นะแล้วก็ตีตราลงไปว่าสำรคุณฟัง สติปัญญาอย่างน้อยวาสนาบา ร, รมีอย่างน้อยไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะขั้นสูงได้เราก็ยอมรับใช่ไหมเราก็มาดูถูกหรือว่ า, าดูถูกตัวเองว่า เ, าเราสติปัญญาไม่พอกิเลสนะตัณหาหยาเข้าวัดไม่ได้ในสุดแล้วก็ไปคนละทิศละทางไม่สามารถจะมาจอยกันได้ใช่ไหมเราก็ยอมรับอันนั้นด้วยเราเป็นคนกิเลสหนาะจริงๆเราก็ไม่พยายามที่จะออกจาก กงจักกงลอกงอาการครอบของความรู้สึกอันนี้ฝ่ายพระเองก็พิจารณายูยุ่งไม่ไหวรับธรรมะขันสูงไม่ได้ท่านก็ไม่พยายามก็จะพูดถึงเรื่องเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตแบบโลกๆให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีวัฒนธรรมก็อยู่กันได้ระดับหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันระดับอย่างนั้นไม่พอเพราะปัญหามันซับซ้อนขึ้น แล้วความเปลี่ยนแปลงของโลกมันไม่ได้สงบสงัดเหมือนเมื่อก่อนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนก่อนทุกอยาก่างถูกแปลเปลี่ยนไปหมดร่างกายแล้วก็อ่อนแอลงจิตใจแล้วก็อ่อนแอลงที่พระเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถท่านก็ไม่มีเวลามาให้แล้ ว, ลวนะคุณก็จะไปหอไปหุ้มไปข้อหาท่านที่เราเข้าไม่ถึง ทีนี้คนหลายระดับคนหลายประเภทเข้าหาในสิ่งที่เจาะจไปหาประเด็นที่เราต้องการก็ไม่มีเพราะเวลาท่านไม่พออีกหน่อยท่านรับแขกมากทํางานมากสุขภาพมันก็เสื่อมก็หมดโอกาสที่จะพบกันระหว่างคนทั้งสองระดับทั้งทางที่เรามีความสามารถที่จะรู้ได้ท่านก็มีความสามารถที่จะสอนได้แต่เหตุปัจจัยมันไม่เอือ้อนมาก็ได้พิจารณาถึงข้อ บอพร่องเหล่านี้ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะลดช่องว่างของคุณสองระดับเลิกหากันเราก็เริ่มทํามาเรื่อยๆก็ไดปรากฏว่าแก้ปัญหาดับแรกหนึ่งการสีขวัวหมายนะจะไม่ใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาถิ่นภาษาไหลมากเกินไปจะใช้ภาษาความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ซื่อๆตรงๆเนี่ย <c oughs> ได้อย่างไร ก็ปรากฏว่าแก้ได้ระดับหนึ่งอันที่สองอาการวางตัวคุณระดับระหว่างนักบวชกับญาติโยมที่เป็นรูปแบบมีพิธีกรรมอะไรกันเราอยอะแยะใช่ไหมพรชจะต้องทํานี้โยมจะต้องทํานี้ต้องกราบอย่างนี้ต้องไหวต้องดูแลต้องอะไรพิธีพิถันมากในฐานะเป็นผู้มีคุณธรรมเราก็มีอุปทานแบบนั้นแล้วก็กลัว พระก็รู้สึกระวังเนื้อระวังตัวไม่กล้าที่จะลดตัวลงมาเพราะเดี๋ยวต้องมีศีลมีวินัยป้องกันตัวเองก็ป้องกันมากเกินไปจนเข้าไม่ถึงกันเราจะทำอย่างลดตรงนั้น อ, อันที่สามอายมก็อย่างที่ว่านะคือตัวเองรับภาร ะ, ะมากขึ้นปัญหาซับซ้อนขึ้นปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสุขภาพ ไม่มีเวลาพอที่จะเข้าว่างสําหรับเรื่องดี้พระเองก็ที่ท่านมีภูมิธรรมจริงคุณธรรมจริงก็เพอความสามารถของครองตัวอย่างที่กล่าวมาไม่พอนะแล้วก็ทําหน้าที่อย่างอื่นด้านการก่อสร้างการศึกษาการารับแขกแล้วก็ส่งเคราะห์ด้านอื่นไม่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ การดูแลสุขภาพร่างกายก็ไม่เพียงพอก็ไม่นานก็ป่วยถึงไม่ป่วยถึงตายก็ป่วยที่ทำาอะไรไม่ได้ความเสื่อมสภาพของร่างกายโดยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มาพยายามหาวิธีหาช่องว่างลดลงแก้ปัญหาเหล่านี้มาตลอดนะก็ได้ผลมาตามลำดับเพราะนั้นคนที่มาศึกษาแล้วนี้มาไม่ต้องการคนมากห้าคนสิบคนยี่สิบคนพอแนละ้ว ไม่เอาเป็นร้อยสองร้อยขึ้นไปซึ่งถ้าหากมาเยอะเราดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ต่างระดับกันมากมเนี่ย <c oughs> พูดไปสําหรับคนระดับนี้อีกคนระดับก็ไม่เข้าใจคนระดับนี้คนเข้าใจคนระดับไม่เข้าใจบางทีก็ผลออกมาไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเรามีกลุ่มน้อ ย, อยแต่ว่าระดับใกล้เคียงกันพื้นฐานใกล้เคียงกันแล้วก็มีเวลาเจาะเฉพาะตัวเฉพาะเรื่อง ก็ทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นในธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอาศัยความเข้าใจเป็นหลักถ้าคุณเข้าใจไม่ถูกที่เรนใช้ว่าเข้าใจถูกคือสมาอะไรสมาธิใช่ไหมถ้าคุณเข้าใจไม่ถูกคุณจะทํามากเท่าไหร่ก็บางทีเป็นโทษได้ซ้ำไปแต่ถ้าคุณเข้าใจถูกคุณทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้ผลเพราะฉะนั้นในองค์มรรคในองค์แปดท่านจึงเริ่มด้วยสมาทิฐิ ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สม า, าวายะมะสมาสติสมาสมาธิไปไว้ท้ายๆนั่นแต่เริ่มด้วยสมาธิิคือมาปรับความเห็นให้มันถูกมันตรงให้มันชัดเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรทำมาความความเข้าใจก่อนนั่นในภาคปฏิบัติในพุทธศาสนาแท้ๆนั่นจะเริ่มด้วยเริ่มต้นด้วยปัญญาไม่ได้เริ่มต้นด้วยสีนสมาธิปัญญาที่เราเข้าใจ แต่ที่เดิมของเราก็คือคุณจะต้องมารักษาศีลเสียก่อนถ้าศีลคุณไม่ครบคุณจะมาทําสมาธิไม่ได้เมื่อสมาธิคุณไม่ครบมันไม่เกิดปัญญาอันนี้เขาถูกแบบปริยัติแต่ในภาคปฏิบตัติตามมักมีองค์แปดเนี่ยสมาธิทิสมสังกปะความเข้าใจถูกความคิดถูกความเห็นถูกเป็นองค์ของปัญญามาก่อนเลยใช่ไหมสมาวิจารสมากรรมตะสมมาชีวะการใช้ชีวิตถูกการพูดถูกการปรับตัวเป็นการ วางเนื้อวางตัวเป็นการปรับตัวเองเป็นการใช้ชีวิตที่ม่มีปัญหาและเบื้อสัตว์ต่างเป็นเรื่องศีลอมาที่สองออเมื่อเราจัดการเรื่องการปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจเป็นเรื่องจิตใจเริ่มผ่อนคลายไม่ก็มีปัญหาก็มาตั้งความพยายามสมมาวายมะสมาสติสมาสติสมาธิอาไวที่สมเพรา ะ, ะนั้นในภาคปฏิบัติการเป็นปัญญาศีลในสมาธิ ใช่ไหมแต่ในภาคประยัดกลายเป็นศีลสวดีปัญญาตัวนี้เอามาเริ่มเห็นอ๋อบางทีเราไปสวนทางกับพุทธธรรมเอาหัวเป็นท้ายเอ า, เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวเอาตุ้นเป็นปลายเอาปลายเป็นตึน้นมันก็เลยสำเร็จได้ยากแต่อันนี้คือข้อบอกพร่องในจุดนี้นะในส่วนผู้ปฏิบัติเองผู้เข้ารับการปฏิบัติเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยห้าอย่างนหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะทําความพอใจความตั้งใจความมั่นใจความรักในการที่จะศึกษาเรื่องนี้อันนี้สุบัติ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมมาก่อนเลยสองเมื่อรักเมื่อชอบเมื่อตั้งใจเมื่อใส่ใจเมื่อมั่นใจเมื่อพอใจที่จะทําลงมือทำเรียกว่าความเพียรหรือ ว, วิทยาลงมือทําและการลงมือทำเนี่ยต้องทําอย่าง ถูกต้องเลยนะอันใช้คำว่าสัมมาวายาม ะ, ะการทำที่ถูกต้องทํยังไงก็หนึ่งสิ่งไหนที่เราไม่พึงปรารถนาต้องระวังสิ่งนั้นสองระวังขนาดไหนมันก็ต้องเกิดจะทำางไงต้องแก้ไขสิ่งนั้นตัดสิ่งนั้นออกไปอันที่สามสิ่งไหนที่มันจะทำให้เกิดกำลังหรือความพร้อมในการที่จะ แก้ไขปัญหาให้ทำสิ่งนั้นให้มากเนะี่ยสีเมื่อทําได้แล้วรักษาระดับให้คงที่นี่ามพยายามที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างสมมติว่าอันที่หนึ่งความง่วงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังความปวดเมื่อยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังความหมุดหิด อ, อ, อืดอัดเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังความฟุง้งซ่าน คิดมากเป็นสิ่งต้องระมัดระวังความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเป็นสิ่งต้องระมัดระวังในเบื้องต้นะ่ะห้าอย่างนี้แต่ว่าระมัดระวังแล้วขนาดไหนมันก็ยังคิดอยู่ไม่อยากจะคิดมันต้องคิดง่วงระมัดระวังขนาดไหนมันก็ยังเกิดอยู่ใช่ไหมความลังเลสงสัยระวังขนาดไหนก็ต้องเกิดความเบือ่อความซึงในขณะรม ระวังขนาดไหนก็ต้องเกิดนี่คือตัวอุปสรรคบงต้นเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับเรามาก่อนเราก็ไม่เคยไปแตะต้องอะไรมันเราก็ได้มีกาตอบสนองมันเมื่อมาปฏิบัติมันก็เกิดท่านบอกให้ระวังระวังแล้วมันเกิดทาไงพยายามในการที่จะแก้ไขแก้ไขได้เท่าไหร่เท่านั้นนะแต่ที่มันมากันหลายตัวทำไงระวังไม่ไหวกำลังไม่พอก็ต้องมาเพิ่มกาลังอันที่สามเพิ่มกาลังอะไร พ เ, พ เ, เพิ่มกำลังของสติของสมาธินี่คือภาคปฏิบัติเพราะหน้าที่เราทำนี่คือการมาเพิ่มกําลังของสติปัญญาเพื่ออะไรเพื่อไปแก้ไขไอ้ตัวที่เราเระวังแล้วมันวาระวังไม่อยู่เพราะกําลังสติปัญญาไม่พอแต่พอพัฒนากําลังสติปัญญาพอเราเระวังสิ่นั้นเราแก้ไขได้ด้วย อ, อันนี้ข้อที่สข้อที่สี่เมื่อใกล้แก้ไขเป็นแล้วก็ต้องแก้ประจําแก้บ่อยๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องระมัระวังเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นฝ่ายฝ่ายเสื่อมเพางั้นเถอะฝ่ายเสื่อมเขาเรียกว่านิวร น, นิวรธรรมความอันแรกเนี่ยความที่เราเคยทําอะไรตามใจตามต้องการเรามามากๆเราก็สนองมันสนองมันเวลามันอยากมันต้องการเนี่ยเราก็สนองมันแต่พอมาทําอย่างเงี้ยมันฝืนสมมติเรานั่งปฏิบัติเนี่ย มันปวดมันเมื่อยมันเบื่อแทนที่เราจะได้ลุกไปหรือแลนที่จะไปทําอะไรสนุกสนานอย่างอื่นเพื่อมาเปลี่ยนอันนี้แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้ทําไม่ได้เพราะมีกติกาอยู่ว่าเราจะต้องฝืนฝืนเพื่ออะไรฝืนเพื่อให้เห็นว่าความจริงเนี่ยถ้าเราไม่ตอบสนองความต้องการของร่างกายเสียบ้างไม่ตอบสนองความรักต้องการของจิตเสียบ้างเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเรียกว่ทวนกระแสใช่ไหม อันดับแรกนะต้องทนกระแสแต่ว่าชีวิตของเราที่มันตามกระแสมาตลอดเนี่ยมันก็ให้เกิดความาสูญเสียพลังต่างๆนึก ง, ง่ายๆเหมือนน้าฝนเมื่อก่อนสมัยยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเขื่อนอ่างน้ำใช่ไหมฝนตกลงมาเท่าไหร่ก็ไหลลงทะเลหมดน้ำแรงไม่มีน้ําใช้น้ฝนน้ําก็ท่วมแก้ปัญหาไม่ได้พอตอนหลังมาเมื่อเทคโนโลยีในการ ดูแลรักษาน้ําพัฒนาขึ้นมาอาฝนตกลงมาไม่ต้องการให้มันลงไหลไปรุมหนีหมดที่ทะเลแล้วทําไงสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างฝายใช่ไหมแทนที่น้ำที่ตกลงมาเยอะๆมันจะไหลไปทั่วบ้านท่วมเมืองเก็บไว้ตอนหน้าแล้งมาไม่มีฝนแทนที่จะแห้งแล้งทั้งหมดไม่มีน้ําใช้แต่ก็มีน้ําใช้เพราะเก็บมันไว้อันนี้คือทฤษฎีในการใช้น้ํา ฉันใดก็ดีกระแสน้ําที่มันไหลลงทะเลทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ไม่มีพลังอะไรแล้วเนี่ยก่อให้เกิดไม่ได้ประโยชน์จากกําลังธรรมชาติทีนี้กระแสของความอยากความพอใจไม่พอใจเนี่ยสมมติกระแสของความพอใจคือกระแสน้ําที่ตกลงมาใส่กายใส่ใจเราทั้งหทางใช่ไหมตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นริบลวดกายสัมผัสใจในึกคิดในทางที่ตอบสนองเรา ด้วยความพอใจมันก็เป็นกระแสเนี่ยเราก็ไหลาตามกระแสนั้นเมื่อเห็นเท น, นี้แล้วพอรู้สึกพอใจก็อยากจะเห็นมากๆดูหนังเรื่องนี้แล้วพอใจก็จะอยู่บ่อยๆดูหลายๆตอนแล้วก็ดูทุกวันดูให้มันจบเริ่มเติดเลยใช่ไหมไหลไปทํากระแสความอยากทางตาหูได้ฟังเพลงนี้ดนตรีนี้เพราะอยากไหลาตามกระแสก็อยากจะฟังบ่อยๆฟังทุกวันฟังประจําติดในรถเปิดรถเพราะเพลงนี้ต้องขึ้นทันทีอย่างนี้ เราเริ่มติดแรแสแล้วใช่ไหมก็ไหลไปตามมันวันไหนไม่ได้ฟังรู้สึกโอ้วันขาดอะไรสักอย่างอะาทหูทางเจอหมูกน้าหอมอันนี้ต้องซื้อมาใส่ในรถต้องยี่ห้อ น, นี้เท่านั้นถ้าเปิดไปแล้วในรถไม่มีกลิ่นหอมนี้เราก็ไม่ชอบและในบ้านในเรือนของเราไม่ว่ากลิ่นหอมของอาหารไม่ว่ากลิ่นหอมของน้ําหอมไม่ว่ากลิ่นหอมของสบู 5, ่ผ้าอะไรก็ตามต้งกลิ่นนี้เราก็ไป หลทางกระแสของกลิ่นอีกรถอาหารที่เราชอบอาหารแบบเนี้ถ้ามันไม่ถูกลิ้นไม่ถูกปากเราก็ไม่ยอมทานอาหารแล้วก็ไปเลือกอ ล, า ล, าลานนั้นลานนี้อาหารชนิดชนิดมาปรุงให้มันถูกลิ้นเราก็ตามกระแสของความอยากทางลิ้นอีกทางกายก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ในอากาศแบบนี้ในสภาพวบบนี้ร้อนมากกว่านี้แล้วก็อยู่ไม่ได้หนาวมากกว่านี้เราก็อยู่ไม่ได้ เราก็ต้องไปหาเงินซื้อแอร์ซื้อพัดลมมาไว้ติดระบบอะไรต่างแล้วก็อยู่ในอากาศที่พอดีที่ชอบเหงินเถอะแต่เราก็หลาต่างประแสงความรู้สึกทางกายถ้าไปดูแดดหน่อยก็ไม่ได้ไปร้อนหน่อยก็ไม่ได้รับไม่ได้เราไม่ได้ทนกระแสเลยทั้งอารมณ์เมือกันอารมณ์ที่ถูกที่ฉันชอบคือต้องอารมณ์แบบนี้ต้องกับคนอย่างนี้ต้องอาหารแบบนี้ต้องที่อยู่แบบนี้ต้องอากาศแบบนี้แล้วจะถูกใจฉัน อันนี้เป็นกระแสทั้งหกกระแสเลยกระแสของสอาศาัที่เราติดกระแสของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่นุ่มนวล อ, อร่อยถูกใจเนี่ยเราก็ แ, กแสต่างนี้มาตลอดแต่พอมาปฏิบัติกรรมาฐานเราทวนกระแสสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่านายช่าง d ดมเอนจิเนียริ่งเขาเห็นว่าน้ำนี่มันไหลลงทะเลตลอดที่มันไม่เป็นประโยชน์เริ่มสร้างเขื่อนใช่ ฝนตกมาไอห้วยน้ํนาม แ, มแม่น้ําแม่นี้แทนที่มันจะไหลลงน้ําลงทะเลทั้งหมดถูกกันขึ้นมาเลยกั้นหุมาก็ถึ้าในการสร้างเขื่อนก็ต้องมีไหลแบบไหลละเอียดเยอะแยะทํำยังไงคือเก็บน้ําได้มากที่สุดถ้าเก็บน้ําได้น้อยคุณก็ปล่อยเฉพาะทําไรทํานาเลี้ยงปลาเลี้ยงปูไปถ้าเก็บได้มากกว่านี้คุณสามารถที่จะปล่อยไปสู่ไรทูนาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็สร้างเขื่อนให้สูงขึ้น น้ำที่มันเคยไหลไม่ไหลแล้วก็ปล่อยเมื่อมีความจําเป็นเหมือนกันกระแสของความชอบความรักความ อ, าอยากต่างๆที่มันเกิดจากตามหูจมูกและลิ้นกายใจที่พัฒนามันไหลไปตามนั้นมันก็จะเกิดทุกข์เรื่อยๆเราจะต้องหาเงินมาเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อมาตอบสนองรูปเสียงกิโลด้มากขึ้นมากขึ้ น, นเวลาเราก็น้อยลงเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นร่างกายมีขีดจํากัด ไม่ว่าเรื่องเวลาเรื่องน้ำหนักอะไรต่างแล้วก็เจ็บป่วยมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเพราะเราใช้กําลังทั้งหมดไปเพื่อหากระแสความอยากมาตอบสนองทางตาหองจมูกหลันใจใจเราก็ยังไม่ได้สติว่าเราจะทำอย่างที่ชนกระแสนี้ใช่ไหมวัดสํานักอาสมสเซ็นเตอร์เพื่อกรรมฐ า, านก็เกิดขึ้นเพื่อมาจัดการเรืงกระแสนี้เหมือนกับสํานักงานในการสร้างเขื่อนนั่นเอง เพื่อเพื่อการการกระแสน้ําให้มันไหลโดยเฉพาะแต่การเกิดขึ้นของพุทธศาสนาเพื่อมาสกัดการกระแสการไหลไปตามความอยากของจิตของกายโดยการสร้างเป็นกรรมฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมฐานอันแรกที่สามารถหยุดน้ําได้ไปนั้นเขาเรียกว่าสมรถรกรรมฐานการที่เรา าสามารถสกัดอารมณ์ไปให้มันไม่ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยคือทําจิตให้นิ่งให้สงบอะไรมากระตุ้นกระเืจองอะไรมาดึงมาดูให้ไปก็ไม่ไปไปอยู่ความรู้สึกนิ่งนิ่งสงบสงบเนี่ยอันนี้คือวิธีการสั้นเขือนอันดับแรกคือไม่ไหลไปตามอารมณ์สมวันเรานั่งเนี่ยตามโบติเราพลิกไปหลายครั้งแล้วเดินไปหลายขนละที่จะให้มันไปเกิดความดาีดแรงผลักไสแต่เราก็ไม่ไปใช่ไหมก็ดูความปวดดูความไม่สบายขยับนิดหน่อย ความไม่สบายนั่นก็ยังอยู่แต่การที่ไม่วิ่งผ่อนคลายทีเดียวให้มันตามสบายเนี่ยเราก็จะดูเอาพออยู่ได้เนี่ยคือตามบติคือเราก็คือตรงไปตรงนี้อชอบไม่ชอบไอ้ความเจ็บปวดความหนักความเหนื่อยเราไม่ชอบใช่ไหแเราก็จะพยายามหาให้มันออกล้วก็ตีกลับตรงนี้แล้วก็แสวงหาความชอบตามอยางที่เราไนะหาดังที่สบายไปเดินไปที่สบายผ่อนคลาย แต่เมื่อนั่งนี่ระยะยาวๆวหลายนาทีหลายชั่วโมงปวดเมื่อยมันก็เริ่มหาเหตุผลว่าทำไมต้องนั่งแช่อย่างนี้ใช่ไหมทำสามัญสานึกของเราแต่เราก็มานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอ๋อการที่เราทวนกระแสโดยที่ไม่ทําตามกายที่มันต้องการทันทีไม่ตามความต้องการทางจิตทันทีเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มกัารกระแสเอาพออยู่ได้ไม่ให้สบายเกินไปแล้วก็ไม่ให้เจ็บปวดเกินไป ปรับค่อยปรับไป น, นินี้ลักษณะการปรับนี้เรียกว่าเริ่มมีการภาวนาเกิดขึ้นนะคือการรู้จะ ก, การที่จะมีสติปัญญาเข้ามาค่อยปรับให้เกิดความพอดีคือไม่สบายเกินไปแล้วไม่ให้เจ็บปวดเกินไปการปรับให้เกิดความพอดีตรงนี้เรียกว่าใช้สติใช้ปัญญาละใช้ปัญญาเข้ามาตัวส่งเห็นว่าอะไรกําลังเกิดความหนักเกิดในระดับไหนตรงนี้เป็นหน้าที่ของสติ นะแล้วการที่เข้าไปปรับให้พอดีพออยู่ได้เนี่ยไม่หนักเกินไปแล้วไม่ให้มันสบายเกินไปปรับให้พอดีพออยู่ได้หือว่าพอทนได้เนี่ยตัวนี้เป็นวิธีการใช้ปัญญาละเมืนสติปัญญาเริ่มถูกฝึกจากตัวเนี้ไปทึ้งได้กล่าวว่าเมื่อวานว่าการที่เอาสติปัญญามาใช้การแก้ไขสิ่งที่กำลังเกิดและดับในร่างกายของเราเนี้เป็นลูลอุณตาปัญญา ซึ่งเป็นสติปัญญาเพื่อเข้าไปแก้ไขทุกข์โดยเฉพาะทั้งกายและใจซึ่งเมื่อวานได้กล่าวว่าโลกีปัญญาหรือปัญญาภายนอกเพื่อเพิ่มแก้ไขเพิ่มความคิดเพิ่มความรู้ให้กับสมองและด้านจิตใจเพื่อเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากของเราให้ได้อย่างใจต้องใช้สติปัญญาไหมใช้การที่เราจะได้ภาพอย่างถูกใจใช้สติปัญญา ใช้เสียงที่ถูกใจตลอดใช้สติปัญญาได้รูปได้กินได้รถได้สัมผัสที่ถูกใจตลอดใช้สติปัญญานะใช้เราก็ต้องลงลงทุนทุ่มเทรเรื่องการศึกษาให้แก่ตัวเองใช่ไจากปหนึ่งถึงปสี 4, หาเงินยังไม่พอใช้เ็ามาเพิ่มเป็นปหกมหนึ 1, ่งมสองมสาก็สติปัญญายังไม่พอที่จะหาเงินไาเซิร์ฟไอตัวอ้สาระือความบริเอรนี้แล้วก็เพิ่มเป็น ไฮสกูลก็ยังไม่พอเพิ่มเป็นปริยตีก็ยังไม่พอปิยโทรญิยเอกก็ยังไม่พออยู่ดีกระแสเหล่านี้มันก็เป็นกระแสของตันหาสตอบสนองมันเท่าไหร่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมแม้เราทํางานสาปีห้าปีสิบปียี 10, ่บี 10, 10, ตลอดชีวิตถามว่าไอ้ความอยากของเรามันพอไหมไม่พอปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุของถูกคือความอยากคือเกิดจากการที่เราไปติดกระแสของความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เมื่อท่านผู้รู้มาบอกแล้ ว, ว่าคุณต้องทนกระแสหลายคอยากจรทำตามอยากถ้าเราเข้าใจได้เรามีศรัทธาเพราะฉนั้นเราก็มีศรัทธาต่อ ว, วัดวาอารามเพื่อต้องการจะเข้ามาศึกษาเรื่องนี้แต่ทางวัดวาอารามของเราก็ยังไม่สามารถตอบสนองเพราะมันเกี่ยวข้องด้วยเรื่องอื่นเกี่ยวข้องด้วยศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวข้องด้วยศีลธรรมเกี่ยวข้องด้วยะระบบศีลธรรม เบื้องต้นเราก็มาฝึกเรื่องอวิธีกรรมอะไรต่างๆได้ระดับหนึ่งเรียกว่าในส่วนศีลธรรมแต่เาเข้าไม่ถึงปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมก็เกิดระบบพิพสสนาขึ้นมาระบบสัมถะขึ้นมาเพื่อพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นกลัวเราจะพาตัวเข้ามาศึกษาได้ถึงจุดนีย้ยากมาก เพราะวันมีหลายระบบอะไรคอยกันเรวอยู่ออกมาก็พิจารณาเห็นความจริงเหล่านี้นะว่าจะทำยังไรถึงจะลดขั้นตอนในการสิ่งเหล่านี้ลงมาก็คอยมาจัดก็เลยคุยพูดตัวต่อตั ว, ตวให้ทำดูนะพะหลวงพ่อเทียนจิตถึสุโภที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านหลังจากท่านเข้าถึงสภาวะอันนี้แล้วสมัยเป็นเครือข่ายด้วยซ้ำนะไม่ได้บทเป็นพระนะเพราะท่านศึกษาเรื่อง นี่มาศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีตั้งแต่ท่านบวชเป็นเนรน่ะแล้วต่อมาท่านก็สืบไปเป็นครือขัดทํามาหายกินท่านก็ยังปฏิบัติทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่ละไม่ได้ความโกรธก็ยังละไม่ได้ความโลภ ก, ก็ยังละไม่ได้ความหลงก็ยังละไม่ได้เอ๊ะก็ปฏิบัติมาตลอดยี่สาปีทําไมมันละไม่ได้ในที่สุดท่านมาเปลี่ยนวิธีการจากทําน้อทําพุโทโธทําลมหายใจระบบต่างๆมาเป็นการเคลื่อนไหว เหตุผลได้กล่าวไปแล้วว่าสติปัญญาที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันความถี่มันต่ำเราได้แค่สองใช่ไหมคือหายใจเข้ากับหายใจออกแต่เมื่อวันที่เราคลิกมือทั้งหมดเป็นสิบสี่ช่วงวะแล้วก็ยี่บแปดทั้งหยุดทั้งเคลื่อนเน่ยความถี่มันสูงถึงยี่สแปดยิบเก้าจุดถ้าเปรียบเทียบลมหายใจมันมีนมแค่สองคือเข้ากับออกแต่เคลื่องเนี่ยถ้าเราทํามีจริงรู้หยุดรู้เคลื่อนจริงจริงเนี่ย มาได้สติทุกๆุกจุดเลยเพราะฉะนั้นความถี่ของสติที่เกิดจากสติสมาธิที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมือจึงสูงและชัดกว่าตัวนี้กำลังของสติสมาธิก็เพิ่มขึ้นไว์เหมือนการสร้างเขื่นอนในระดับที่ต่าๆเป็นเขื่อนดินเนี่ยถ้าน้ำหลากมาก็เขื่อนพังไปแต่พอมาใช้ วิศวกรในการสร้างมีการาทำรากฐานใหม่มีการตั้งคานใส่ไส้เหล็กใส่คอนกรีตมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีความมัน่นคงก็รับน้ำได้สูงขึ้นอันนี้เหมือนกันไอการตรวจสอบความรู้สึกตัวทุกระดับเป็นการเหมือนกับว่ า, าเป็นเป็นวิศวกรทางด้านกรรมฐาน inside meditation engineering มีการใช้ระบบวิศวกรทางด้านกรรมาฐานทางด้านวิปัสนาขึ้นมาคือตรวจสอบทุกขั้นตอนในการลุกการนั่งการยืนการไปการมาให้เกิดความชัดเจนและแหละมคมในการที่จะสัมผัสได้สจ้นอันนี้คือการสร้างตัวนั้นที่การสร้างคอนกรีเสริมเหล็กแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเ่ทีนี้เราไม่คุ้นกับระบบนี้มาก่อน เราคุ้นแต่ว่าเออทํากรรมฐานแล้ทำมาถ้าเราทําจิตสงบรำวิปัสนาได้จะทําให้ม่ไรรคผลนิพพานทําให้หมดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้กิเลสตัวนั้นเกิดเราก็จะไปสนุกกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ฟังดูเหมือนว่ามันจะใช่แต่เราทําไมเราทําไม่ได้เพราะเราพูดแต่ผลของมันแต่เราไ ม, มา่มาจี้มาเจาะกันที่ต้นเหตุว่าก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ะก่อนที่จะละความอยากได้ละความโลกภหลงได้มันเริ่มจากอะไร นั้นผู้ทีเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุขานี่ผู้ทีเจ้าไร่ได้ตรัสแต่ท่านสนับสนุนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุที่ท่านแสดงทำกันแรกแล้วคนที่ได้ ด, ดวงตาเห็นทำตามที่ท่านตรัสตั้งแรกจําได้ไหมในฐานะเราชาวพุทธใครเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นทำคนแรกที่ผู้ทีเจ้าหลังจากผู้ทเจ้าตรัสรู้อันนี้ชาวพุทธนะพ่อใหญ่สวัสดิ์จำได้อยู่กับวัดมานาน อไม่ใช่ละปัญจ ว, ญจวกีธนหามีใครบ้างปัญจวกีทันหามีใครบ้างคนแรกอ ะ, อ น, ะน่าเห็นไหมอัญญาคทธัญญะใช่มไหมพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจากกรรมวัฏสงสิณท่านนั้นเกิดขึ้นล้วมก็ดับไปเป็นธรรมดายัางกิงจสมุทัยธรรมังสัพพะดังนิโรธาธรรมันติพอท่านเข้าใจจุด น, นี้แลโอโหกราสว่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแค่สองคือมีการเกิดกละการดับ แล้วก็แยกไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เมือนที่ขยายให้ฟังไงใช่ไหมจากการเกิดและวก็ดับจากการเกิดและก็ตายอาการหนักกับเบาจากสบายไม่สบายมันมาจากของสองตัวนี้เท่านั้นมาจากการเกิดการดับที่เกิดขึ้นในจิตตลอดเวลาแล้วขยายซิมบิฟออกมาเป็นรูปเป็นร่างกายของเราออกมาเป็นชอบไม่ชอบออกมาเป็นทุกข์หรืไม่ทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นสังสารวัฏอ้อมขยายมาจากตัวต้นเหตุตรงนี้ เพราะฉะ น, น, นั้นเมื่อท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเราก็ต้องมาสร้างเหตุของมันก่อนเหตุของมันคืออะไรเหตุของมันเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันสร้างการของคู่ให้กับร่างกายในตัวมันเองแล้วก็ออกมาเป็นร่างกายของเราเราก็ต้องมาดูในส่วนหยาบก่อนเมื่อเราศึกษาในส่วนหยาบเห็นการเกิดดับในส่วนหยาบก็ไปศึกษาในเกิดดับในส่วนกลางไปศึกษาการเกิดดับในส่วนละเอียดคือจิต ซึ่งถ้าสติสัมปชัญญะที่เราฝึกฝนเนี่ยมันไม่หนักหน่วงเมื่อแหลมคมพอแล้วก็ดูได้แค่ชั้นเดียวคือกายแต่การเกิดดับของความพอใจไม่พอใจเราก็ยังไม่ทันมันความพอใจมันเกิดขึ้นได้ย่างเราก็ไม่ทันความไม่พอใจเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่ทันเพราะมันละเอียดเกินไปใช่ไหมเออ ถ, ถ้านั่งนี้ความหนักมันเกิดหนักโปวดเมื่อยเกิดทันไหมทันใช่ไหมสัมผัสได้เออทำไงให้ไอ้ความโปวดความเมื่อยสบายให้มันดับ แล้ก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสภาพัหนึ่งตัวหนักตัวไม่สบายก็ดับไปเนี่ยการเห็นการเกิดการดับในระยะที่หยาบหยาบอย่างนี้ก่อนเห็นไปบ่อยๆเพื่อสร้างอะไรทักษะให้เกิดจิตให้มีสกิลฟูลเรียกสกิลฟูลมาให้เกิดสกิลให้เกิดทักษะตัวนี้ซะก่อนหายใจเข้าออกเคยสัมผัสมันลึกๆไหเข้าเป็นเกิดออกเป็นดับทุกอย่างเป็นคู่หมดตา เปิดเป็นเกิดหลับเป็นดับหรือดับเป็นดับเปิดขึ้นเป็นเกิดให้ดูในคู่ในส่วนที่ขยายออกมาเป็นรูปอย่างนี้ก่อนโดยใช้ระบบ ก, การใช้สติตามดังนั้นในวิธีการอนุโมทห็นถ้าจึงเน้นให้เจริญสติกับการเคลื่อนไหวให้มากเพื่ออะไรเพื่อกำลังสติที่เกิดจากการมาตามรู้สิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังและแหลมคม แต่เนื่องจากเราไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่นั่งหลับตาแล้วดึงลมหายใจใช่ไหมพอมานั่งยกมือเนี่ยเราไม่คุ้นพอเราไม่คุ้นเราก็เบื่อใช่ไหมเราก็สงสัยหรือบางทีแถมยกไปยกไปง่วงอีกต่างหายกไปฟุ้งอีกเลยเอ๊ะ <laughs> มันยังไงกันเนี่ยมันถูกต้องหรือว่าชักสงสัยเลยใช่ไหมเออท่านตาโพดีฉันนั่งแล้วก็สงบไม่มีอะไรมันลกเปน แต่เรายกอย่างนี้มันทั้งฟุ้งซ่านทั้งงงาทั้งอะไรเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้คือมันเริ่มคว้ยชันขึ้นมาไล้ใช่ไหมไม่เหมือนทีเวลาไปนั่งสมาธิสงบหายใจมันเริ่มสงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่หมเพราะว่าผลที่มันเกิดไม่เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายางไงตรัสว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นใช่ไหมทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์หลังนั้นดับไปเพราะฉะนั้นในอริยสัจสอันแรกที่สื่อท่านตัดถึงเรื่องอะไรทุกข์ใช่อ่าความง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่มต้องมาเช็คดูก่อนเออความง่วงเป็นทุกข์ ม, ม, กกออ ม, กขมันมาจากอะไรเรื่องเป็นสมุทัยแล้วหาสมุทยัยความง่วงความง่วงมาจากอะไร การนั่งนี่นานๆไนนปสุขแล้วเป็นทุกเป็นทุกใช่ไหมเออทุกเพราะอะไรปวดแข่งปวดข า, ขาหนักสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็มาจากว่าในตัวของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเวลาใช่ไหมเปลี่ยนแปลงของอะไรการหมุนเวียนของเลือดหลุมเมื่อเลือดหลมมันหมุนผ่านตามเซลล์ต่างๆผ่านตามเส้นเลือดต่างๆเมื่อเรานั่งหมายความว่าเราไปบล็อกการทํางานของมันใช่ไหม ลืมที่ผ่านวิ่งร้อยเปเซนจีเนี่ยพอเรานั่งทับมันมันก็จะเป็นไงการอืดลงใช่ไหมเหมือนจรยานอ่ะทำดีมันวิ่งไปสิบก้าสิบพอจักรยานติดมันเหลือแค่เท่าไหร่ช้าลงใช่ไหมอึดัดแล้วไอ้คนขับก็อึดัดร่างกายเมื่อเลือดลมที่มันวิ่งบรัสเคเลชั่นแอร์ซุปเปอร์ชที่มุนตามปกติมันกลับไม่ได้ไปตามนั้นมันถูกบล็อกมันก็เลยเกิดการคอนฟลิกต์การขัดแย้งความหนักก็เพิ่มขึ้นมันจะดันไป แต่เราก็ไม่ให้มันไปใช่ไหมอพอขยัะปับ๊บหรือพอมันได้วิ่งชูดไปร่างกาย ร, รู้สึกเบาทันทีใช่ไหมกระทับลงไปอีกการเกิดคือมันต้องเวียนไปการเกิดดับต้นตอเข้ามาจากกฎของธรรมชาติคืออา น, นิจังเป็นเกิดอนัตตาเป็นดับในเมื่ออา น, นิจังกับอนัตตาเชื่อมกันไม่ถึงก่อให้เกิดปัญหาใหม่คือทุกขังแต่ถ้าหากว่ามันอาอ น, นิจังได้รับการบำบัด เพียงพอดีทุกครั้งไม่เกิดทุกครั้งแต่ถ้าหากตัวไหนที่จะมาบําบัดปรับอ น, นิจจังให้มันเป็นไปตามระบบคืออะไรสมมติเรานั่งเนี่ยรู้สึกหนักใช่ไหมแล้วจะทำไงให้มันเบาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมง่ายๆก็เปลี่ยนแต่การเปลี่ยนมีสองอย่างหนึ่งเปลี่ยนด้วยความรู้สองเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ส่วนใหญ่เราเปลี่ยนแบบไหนด้วยความไม่รู้เรียกว่า อาอะไรอาวิชาเราเอามาแปลว่าเป็นความเคยชินเป็นความาสันเป็นสันชั ก, กยานเป็นความเคยชินพอม่นสบายชาชันก็ลุกเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรความปวดความเมื่อยหายได้ไหมได้แต่เราได้แต่ในส่วนที่เป็นร่างกายแต่ความรู้สึกตัวหรือสติปัญญาได้ไหมไม่ได้ได้มิติเดียวคือร่างกายสบายแต่ว่าใจ ไม่ได้รับรู้ด้วยเพราะนั้นตัวที่จิตเราจะไปคอนเล็กไอความรู้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มีไหมไม่มีเป็นอนัตตาเป็นอวิชชาแต่พอเรามาเจริญสติมาฝึกฝนมาทำความวิจใจเรื่องสติปัญญา บ, าบา่อยๆพอเรานั่งนึงไปอ้าสักพักนึงดยกรดขอ้อนิจังมันจะไหลเวียนใช่ไมเปลี่ยนแปลงบัด เลื่อนลงเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเรานั่งทับน้ำหนักของเรา20่สหรือห0าสิบลทับมันลงไปจากท่อที่มันร้อยเปซมันถูกบีบตันเลยแคบไปนิดเดียวใช่ไหมเลื่อนลงไปไงดันที่จะผ่านมันผ่านไม่ได้ไปบล็อกกุดของอนิจจ์แล้วใช่ไหมโดยสัญชาติยานของคนและสัตว์ทั่วไปเมื่อรู้สึกอึดอัดเวลาปวดก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนด้วยความ ไม่รู้สึกตัวก็ได้ความสบายมิติเดียวคือบริลลี่ไดเมนชันเราได้มิติทางกายแต่มิติทางจิตสติปัญญาได้ไหมไม่ได้เมื่อผู้รู้มาบอกอย่างนี้เราก็ลุ่มลองทาดูว่าเราไรู้สึกหนักเราอย่าเปลี่ยนทันทีนะลองดูมันทนได้แค่ไหนทนไม่ได้เค่อยปรับในขณะปรับให้รู้ว่าเหตุของมันก็คือเราไปบล็อกของกฎอนิจจังไม่ให้ทำมัน เรามาแก้ที่เหตุเมื่อเราเปลี่ยนแปลงก็ปั๊บความสบายเกิดขึ้นนิดนึง่งโอเคเอาแค่นั้นพออยาให้มันเกิดมากถ้าจะให้มันเกิดมากเป็นไงนอนเลยสบายสหมหรือลุกไปเดินที่ไหนก็ได้ใช่มเกิดความสบาย enjoy มากแต่นั่งนี่ขยับนีดเดียวพอไม่สบายพอลำคาญ น, นี่นะท่านบอกให้ทนเอาทุกต้องทน เพราะนั้นในสมัยก่อนเวลาพูดเจ้าหรือภาษาพกเจอกันไม่ได้ถามว่าท่านเป็นไงสบายดีไหมสวัสดีไม่ได้ถามยังไงนะท่านใช้คําว่าคำรียังอาวุโสถามคำรียงอาวุโสแต่ภาษาบ้านเราก็ทนไหวไหมท่าน <laughs> อันนี้ทักกันนะฮะพระก็จะตรัว่าคำรียังพันเตพ้นโดนได้ขอรับทุกเนะี่ยต้องทนแต่ของเราเนี่ยต้องสบายใช่ไหม เป็นไงสบายมีดีไหมอร่อยไหมแซ่บไหมสวัสดีอะไรแนั่งนี้แต่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องตามกฎของของความเป็จริงของชีวิตมันไม่สบายเราชีวิตเนี่ยนะเราก็บอกเราสบายเออเป็นไงสบายดีไม่สบายดีไม่สบายแต่เราก็บอกสบายอันนี้คือความเคยชินครอบงำเราแต่พระอริยะท่านถามวพอทนไหวไหมถูกต้องเปเลย พอทนได้เออถ้ามันทุกข์แต่ไอ้ทางกายเนี่ยพอทนไหวนะแต่มันเกิดทุกทางจิตเข้าไปด้วยทนไม่ไหวหนักทั้งกายทั้งใจสมมติว่าเรานั่งด้วยเราอึดอัดถ้าเราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องนั่งทนของเงขูอย่างนี้เราก็รู้สึกลาพาญไม่พอใจใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสอบกายละมันก็ไปสร้างอันนี้จังที่มันอยู่กับจิตมันถูกบล็อกเอออยู่กับกายมันถูกบล็อกไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง มันก็ไปกอ่อให้เกิดอันิจ้จำทางจิตจิตจะเปลี่ยนละมีกิสสบายปกติอยู่ใช่ไหมพอรู้สึกมันหนักมันหน่วงมันง่วงมันํนาคาญปั๊บจิตจะเปลี่ยนเป็นความอึดอัดความไม่พอใจความเบื่อสิ่งเกิดขึ้นเป็นอนันจำทางจิตไหมพอไปเกิดอันิจ้จำทางจิตท่านไม่เรียกว่าตัวพ อ, อตัวสบายหรือไม่สบายท่านใช้คำว่าพอใจและไม่พอใจและเฉยเฉยมาเป็นสามตัวใหม่ ถ้าจํากัดขอบเขตของความสบายไม่สบายอยู่การเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขใช่ไหมแต่พอไม่มีสติปัญญาไปควบคุมมันสุขเวทนาเปลี่ยนเป็นพอใจอทุกเวทนาเปลี่ยนเป็นไม่พอใจอทุกขมสุขเวทนาเปลี่ยนเป็นอภิขาคือเฉยๆซื่อๆเขาว่าเฉยๆไม่เฉยๆเฉยเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาเรียกว่าซื่อเบือ ซ <S ess iz u> ื่อๆมเกิดเป็นปลนาาักษณะซื่อบืองงงงเงๆเพราะวงสงสัยไปอย่างนั้นทำไม่ทา ไ, ไมเกิดควายชันขึ้นมาทันทีเก <S ess iz u> ิดมาจากตัวนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นโมหะแต่พอเรามีการปรับเปลี่ยนถ้ามันหนักมีกับคือเกิดรู้สึกเออสบายแต่ไม่ต้องไปพอใจในความสบายอันนั้นเวลามันหนักก็ไม่ต้องไปรู้สึกไม่พอใจกับมันให้รู้ว่าเออคือธรรมชาติอันนึงเกิดจากกฎของธรรมชาติเข้าใจได้ พอมันหนักหนุนเท่าไรเราก็ไม่รู้สึกหึนหงิดไม่รู้สึกรลำคาญใช่ไหมเพราะนั่นคือกฎธรรมชาติเพราะเราเข้าใจได้ <c oughs> แต่ไม่อยากจะให้มันร่างกายมันนั้นทนได้เนี่ยเราก็นหนดรู้ก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ผ่านไปนี่คือวิธีสร้างเขื่อนเพื่อกั้นกระแสของการเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นของความเคยชินที่สะสมมาตลอดกับ ไม่ใช่พบชาตินี้เท่านั้นนะเราถ้าเรารู้จักกฎอันนี้มาตั้งแต่หลายพบหลายชาติเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สวยทุกข์กันแบบนี้หรอกใช่ไหมแต่เชื่อขอความพอใจไม่พอใจตัวเองมันนําให้เราต้องเลยมาเกิดพบชาติอย่างนี้ถ้าในชาตินี้เรามาเจอหลักอันนี้เราก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจมันได้อีกเราก็ไอความพอใจไม่พอใจก็นําไปเกิดชาติต่อไปชาติต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่าแล้วแต่มันจะไป ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาพบกดอันนี้ปั๊ท่านก็เลยมาบอกมาสอนกระกายมาเป็นตัวว่าเออต้องแก้เพราะเราเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้เรื่องอวิชชาแก้มันซะด้วยเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ตัวเป็นวิชาอ่าวิชาคือรู้เนื้อรู้ตัววิชามีสองวิชาหนึ่งวิชาทางโลกและคือเรียนเพื่อที่จะให้ตอบสนองความอยากให้มาได้อย่างใจเรียนวิชาทางโลกใช่ไหมเราก็เรียนวิชากันตั้งแต่ปหนึ่งปสองจนจบ ดรสรัตราจารย์ถามว่าวิชานั้นมันแก้ไขทางด้านจิตได้ไหมไม่ได้คุณอาจจะอยู่สุขสบายมีของใช้ทุกอย่างแต่ใจโลกกุหลงยังมีอยู่ไหมมีอยู่เพียบบางทีอาจจะมากกว่าคนธรรมดาด้าย <laughs> วยซ้ำไปวาหาบ้านหารถหาที่หาทางหาชื่อหาเสียงได้มากกว่าคนที่เขาไม่รู้อีกใช่ไหมเพราะนั้นวิชาทางโลกก็พอกพูนในสิ่งเหล่านั้นนะเกิดความปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะปฏิบัติแบบไหนได้ให้เกิดสติปัญญามากและมีพลังพอที่จะไปแก้ไขเหตุของทุกได้ทันท่วงทีและทุกเรื่องก็ถึงมา พ, อพ่อคูนกำลังของสติสมาธิกำลังของปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธินั้นตัวสติเป็นตัวกำเนิดละ่ะ ทั้งปัญญาก็ดีทั้งศีนก็ดีทั้งสมา ธ, มาธิต้องเกิดจากสติสัมปชัญญะนั้นเวลาเราสวด น, นั่นใช้คําว่าอาตาปีสติมหาสัมปชัโนวินัยยโลเกอพิชาทวงนาสังที่เราสวดอาตาปีคือเพี้ยน ร, รมเพียรแก้เพียนไขเพียนด้วยอะไรสัมปชญญัโนสติมญญาในนั้นไม่มีคําว่าศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีเลยใช่ไหมแต่กายเป็นสติ สติสัมปชัญญสติมาให้มีสัมปชัญะและสติเพราะสัมปชัญญะสีิเหมือนพ่อกับแม่ของศีลสัมผัปัญญาอีกทีนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างพ่อสร้างแม่ของเราเนี่ยคือสติความรู้สึกตัวแล้วสัมปชัญญะทําให้มันต่อเนื่องไม่ใช่าทาแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วให้ทั่วพร้อมว่าในขณะที่เราทำเนี่ยมันรู้แต่มืออย่างเดียวไหมก็ให้รู้ในส่วนอื่นด้วยรู้มันหนักตรงไหนเจ็บตรงไหน เบาตรงไหนหนักตรงไหนให้รู้ชัดทั้งตัวลักษณะนี้เรียกว่าสติสัมยาจักเกิดตลอดนะถ้ามีสติสัมญาแล้วร่างกายเราก็จะเบาสบายเพราะอะไรเพราะเราไม่นั่งจนกระทั่งมันหนักเกินไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนปุบ๊บปั๊บจนกระทั่งว่ามันสบายเกินไปแต่มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เห็นทุกเกิดขึ้นอย่างไรคลายไปอย่างไรทุกคือการเกิดการดับไปของทุกคือการดับเกิดดับตลอดเวลา แห้ง่ของร่างกายเข้าใจได้ไหมเรื่องอย่างนี้เข้าใจนะไม่ซับซ้อนเกินไปเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เวลาไปทำถูกไหมโยมข้างหลังชื่ออะไรนั่งหลับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถึงทุกอยู่เราก็ปรับเปลี่ยนท่า <c oughs> ให้มันตื่นตัวอยู่เสมอนะ ให้ตื่นตัวแล้วมันจะเกิดการภาวะการเบาตื่นรู้เพราะฉะนั้นการทํานี้ต้องการภาวะการตื่นรู้นะฮะไม่ต้องการสงบสมระต้องการความสงบสงบเป็นนานๆนไปง่วงเหงาเบลอฟุง้งหลับใช่ไหมแต่วิธีการนี้ให้ตื่นรู้วิธีการนี้ท่านจึงไม่เน้นให้หลับตา ไม่เน้นแหลมตาไม่เน้นให้จิตอยู่นิ่งๆแต่ให้จิตให้ตัวรู้จิตในทํางานเปลี่ยนตัวสมัครให้เป็นตัวสัมพััญญะคือรู้ทั้งทั้งเนื้อทั้งตัวรู้ให้ชัดเป็นสติให้รู้ให้ชัดดังนั้นเวลาเราสวดในสติปัฏานสูตรมันจะมีคําอยู่สองสามคำที่เราควรจำหนึ่งคำว่าประชานาติคือรู้ให้ชัดว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ขณะ น, นี้ให้ชัดลงไปแล้วจะเปลี่ยน ยีบทก็ต้องรู้ให้ชัดว่าเปลี่ยนแล้วไอ้ความหนักเมื่อกี้มันหายไปไหนไอ้ความเบาเกิดขึ้นได้อย่างไรชัดขนาด น, นั้นเลยนะให้เปลี่ยนปั๊บหนักหายไปยังไรก็ไม่รู้เบาหายไปยไก็รู้สึกสบายอ่ะแต่ไม่เห็นหนักเห็นเบามันเกิดมันดับตรงนี้เขาเรียกว่าได้แต่ความสบายแต่สติสัมยาเสมอไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ตามรู้มันใช่ไหมอ่าอันนี้คือความต่าง แต่พอเราการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งเราได้เห็นการเกิดขึ้นของความสบายและเห็นดับไปของความไม่สบายได้เห็นการเกิดขึ้นของความเบาหายไปของความหนักบ่อยครั้งเข้าบ่อยครัมันเกิดเป็นทักษะเป็นความ อ, าอะไรละ่ะเป็นความชํานาญดังนั้นเวลาจุกจะนั่งจะย่างจะเดินปั๊บจิตของเราเริ่มมาดูแะเมื่อก่อนมันออกไปข้างนอกใช่ไหมไอการที่จิตกลับมาบ่อยบ่อยเพราะมีตัวให้เรียนรู้ตัวนี่เขาเรียกตั ว, ตวพุทธะคือตั ว, ต, วตื่นรู้ ที่มีการสำรวจตรวจสอบเข้าไปพุทธภาวะถึงเกิดแต่ทีนี้ว่ามันจะอยู่ได้นานเราจะตามรู้ได้นานหรือมขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรามีความตั้งใจแค่ไหนเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งใจตั้งใจที่จะรู้สิ่งที่กําลังเกิดกําลังดับในร่างกายของเราเนี่ยชัดเจนหรือไม่ชัดถ้ามันชัดมากสมาธิก็มากถ้ามันชัดน้อยสมาธิก็น้อย อย่างนั่งฟังธรรมฟังไปฟังมานี่มันง่วงมันเหงามันพลืนใช่ไหมไม่ชัดแล้วเบลอแล้วก็พยายามกระตุ้นตัวตื่นรู้ให้ชัดขึ้นเมื่อจิตตื่นรู้ชัดขึ้นปัญญาก็เกิดก็เห็นสภาวะอะไรได้ปัญญาไปว่าสติไปว่ารู้ชัดที่เราทำนี่นะแต่ปัญญาไปว่าอะไรไปว่าเห็นชัดเวลาเราสวด ตอนธรรมวัชเาวเกวรสะถูกขัขันทัสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติทำฉไนาการธรรมที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดหมายความว่าสิ่งที่อะไรที่มันสูเป็นทุกข์นั้นให้เห็นมันชัดๆเพราะนั้นตัวปัญญาในโลกุตละแปลว่าเห็นชัดแต่ปัญญาทั้งโลกแปลว่าอะไรรู้รอบรู้ลึกซึ้งรู้ละเอียดรู้แยบคายรู้ซับซ้อน กลไกอะไรต่าเป็นปัญญาทางนอกใช่ไหมแต่ปัญญาที่เป็นหลูกพุทธว่ากับไปว่าเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดในตัวเองเป็นหลูกพุทธร่าปัญญาเมื่อรู้ชัดเห็นชัดแล้วทาไงถ้ารู้ชัดเห็นชัดก็ต้องเข้าไปแก้ให้มันพอดีเป็นมัชชิมาปฏิปทารู้ชัดเห็นชัดแล้วไม่ให้มันตรงไปทางด้านพอใจไม่ให้มันตกงไปด้านไม่อพอใจแต่ให้มันพอการที่รู้แล้วสบาย ไม่ถึงสบายมากสบายพอทนได้ไม่สบายก็พอทนได้อคือทุกได้ต้องทนอยู่แล้วเพราะมันเกิดแต่ละเวลาเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ปั๊บการที่เราจะมานั่งทำยกมือนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติเป็นตัวคอยสํารวจตรวจสอบในร่างกายเนี่ยอะไรกําลังเกิดขึ้นอะไรกําลังตั้งอยู่อะไรกำลังดับไปไม่ใช่ทาให้มันสงบนะทาเพื่อเหมือนไฟอ่ะส่องสว่างแล้วเปิดเพื่ออะไรให้สว่าง ไม่ส่องสว่างแล้วเห็นอะไรได้ชัดเจนเพราะนั้นการเห็นได้ชัดเจนเป็นหน้าที่ของปัญญาการที่เกิดแสงสว่างเป็นหน้าที่ของสติสติเหมือนแสงสว่างแต่ดวงตาที่เห็นคือปัญญาเพราะแสงสว่างดวงตาคือทำงานร่วมกันฉันใดการทำงานของระหว่างตัวรู้ชัดๆก็เห็นชัดๆก็ร่วมกันอย่างนั้นแต ถ, ถ้าหากว่าเราไปติดคอนสบาย น, นั่งล่างกายบางครั้งนั่งไปมันก็ไม่ถึงกระปวดกระหนักมันก็สบายอยู่เราก็าไปในความสบายแต่ความสบายที่ขาดสติมันกลายเป็นอะไรตัวง่วงเหงาอ่าต้องทีถ้าเราหลับตากระลืมตาแล้วรู้สึกต่างกันไหมหลับตารู้สึกไงการตื่นรู้เกิดขึ้นถ้าหลับตาการตื่นรู้หายไปแต่ความสงบเกิดขึ้นแต่ความสงบแบบไม่มีปัญญาก็ก็กให้เกิดเป็นนิวรน คือควา ม, มง่วงเหงาห้องนอนแต่ถ้าความสงบที่มีปัญญามันคือการเป็นการตื่นรู้ด้วยความตั้งใจเป็นสมาธิเห็นไหมคนละเรื่องเลยระหว่างสมาธิกับไอตัวง่วงเหงาห้องนอนแต่ว่ามันใกล้เคียงกันนะคนที่หลับง่ายคือคนมีสมาธิดีใช่ไหมแต่ว่าสมาธิที่มันไม่มีปัญญามันก็จะหลับง่ายแต่ถ้าหากว่าคนที่มีสมาธิที่คือการสามารถรู้เรื่องอะไรได้ชัดเจนการตื่นรู้ได้ชัดเจนตัวนี้ก็จะนําไปเกิดตัวหยาดปัญญา เพราะนั้นในวิธีการหวงเทียนจึงไม่นิยมให้หลับตาในช่วงปฏิบัติถ้าหลับตาเพราะมันจะง่วงทันทีเลยไปเลยว่างั้นโดยเฉพาะคนที่อดนอนยง่ายเลยบางทียังไม่ทันหลับตากลนไปซะก่อนแล้วนะอันนี้คือปัญหาดังนั้นในช่วงเช้าเนี่ยสิ่งที่นำเสนอทั้งหมดก็คือการเอาตัวสติสัมปชัญญะให้ชัดเจนก่อน แล้วสมาธิปัญญาถ้าสติเนี่ยแฉกเจลี่นปัญญามันเกิดไงมันก็เป็นตรงกรงับอมรักษ์ใช่ไหมพอปัญญาเกิดแล้วรูว้อะไรรู้ทุกข์กำลังเกิดเกิดมาอย่างไรดับไปอย่างไรปัญญาต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นเมื <c> ่อ <oughs> รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันดับยากอะให้นั่งจะทําไงให้ทุกตรงนี้หนักตรงนี้มันดับไป นั่งเาดียอย่างโยมว่ามันคืนั่งสมาธิสองชั่วโมงโอ้โหมันปวดทรมานมากแต่หลังจากนั้นมันดับไปเองไอการที่มันดับไปเองกับการทําให้มันดับเนี่ยอันไหนมันง่ายกว่าฮะไฟไหม้บ้านเรารีบไปดับมันก็เสียหายน้อยหน่อยนะถ้าปล่อยให้มันดับเองไปไงหมดหมดทั้งหลังเลยมันก็สงบได้เกิดแล้วมันต้องดับแต่ถ้ามาดับช้ามันเสียหายมากใช่ไหมไฟไหม แต่ถ้ามันดับเร็วเร็วไรเสียหายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไฟมันติดเข้ามาที่ขาเรามันเผาขาเผาแข้ขขงเราเราก็ต้องดับแต่ปล่อยให้มันดับเองก็ได้แต่คุณต้องรอมันถึงสงชั่วโมงสมชั่วโมงไหวไหมบางทีสองชั่วโมงก็ยังไม่ดับใช่ไหมเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะมันเป็นครูบาสั่งเอาไว้แมว่าคุณจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วจิตมันจะไม่มีสมาธิแล้วก็ทําตามในฐานะเรามีศรัทธา อันนี้คือว่าเพราะเหตุใดถึงจะมาทำเรื่องนี้เพราะเหตุใถึงยกมือเพราะเหตจึงสร้างจังว่าเพื่อการยกมือการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้สติมันตื่นตัวคือแสงสว่างเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่มือที่ไหนภารกิจอันแรกที่สุดคืออะไรมือเราต้องไปก่อนคาหาอะไรสวิตซ์ออนใช่ไหมเข้าไปในห้องมืดๆคุณต้องคำหาหาสวิตซ์ก่อนถ้ามีสวิตซ์ก็ต้องไฟฉายสิ่งแรกใช่ไหม ก่อที่จะทําอะไรต่อไปเหมือนกันการที่จะจัด ก, การชีวิตจิตใจสิ่งแรกที่สุดคุณต้องเปิดดวงตาคือสติที่เป็นสัมปชัญญะให้ได้ก่อนเมื่อเปิดสติสัมปชัญญะได้แล้วดวงตาเห็นปัญญาเกิดละองคมรคองค์งแรกเกิดแล้วใช่ไหมนั่นมันถึงการเริ่มต้นว่าสมาธิฏิปัญญาเกิดแล้วควงตาจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็จะเดินไปทางไห น, นจะจับอะไรก็ถูกต้องสบายหมดแต่คืนว่าไม่เปิดไม่เปิดไฟเดินเข้าไปเป็นไง โอ้เราไม่กล้าเดินต่อไปข้างหน้าไม่รู้มันจะไปชนอะไรมันจะไปตามอะไรจะไปเหยียบอะไรไม่กล้าทั้งท่านนี่เราคุ้นมันอยู่ทุกวันในห้องนั้นนะเราก็ยังพอไม่เปิดไฟเรากยังไม่กล้าทําอะไรนี่แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับเรื่องนี้เขาก็คือหลับตาในที่มืดะยิ่งสดิทใหญ่เลยหรือบางทีลืมตาคนมีปัญญาหน่อยก็ลืมตา <c oughs> แต่ยังไม่ได้เปิดไฟสะดวกไหมในการทํางาน <c oughs> สมัยก่อนไม่มีไฟเราใช้เลย ไ, ไม่มีไฟฟ้าเราใช้เลยเกิดมาก็ยุคไฟฟ้าแล้วเนาะหรือเกิดมาทันใยุคเทียนไขไหมขี้ใต้ <c oughs> อะฮ <c oughs> ะสมัยนั้นนะวันเกิดทันแั่ บ, บ้านนอกไม่มีไฟฟ้าแต่เกียงน้ำมันใช่ไหมน้ำมันกา๊าดต่อมาดีขึ้นมาหน่อยก็ที่เกียงเจ้พยุอ่าเกียงเจ้พยุ เหมือนกันนะการวิวัฒนาการเกิดด้านเทคนิคในะด้านการดับทุกขนะ์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีครูบาอาจารย์เป็นดาวหลายองค์ใช่ไหมที่เราตามฟังอยู่อาจารย์พุทธวจนะอาจารย์ปราโมทอาจารย์อะไรต่อหลายคนที่ดาวดวงใหม่ๆขึ้นมานี่ยนะอันนี้ก็คือท่านทั้งหลายเหล่านี้อันได้พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษาตัวนี้แต่ว่าการใช้ภาษาการใช้คำนวนการใช้ อะไรต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่หลวงพ่อผ่านประสบการณ์แบนี้ศึกษาแบบนี้หลวงพ่อก็นำเสนอแบบนี้ขอให้สื่อได้เข้าใจกันได้ก็พอไอ้ส่วนรูปแบบลีล า, าต่างๆไม่จำเป็นแต่ให้สื่อความหมายกันได้เพราะว่าชีวิตของเรามันไม่รู้ว่าจะตายวันตายรุ่งมันจะเกิดอุบิเหเมื่อไหร่เจ็บป่วยเมื่อไหร่เราไม่รู้ใช่ไมปุ๊บ ป, ปั๊บเอาผู้นิ้วเกิด ผลาญขึ้นมาผู้ปบอบหมอแจ้งว่าคุณเป็นมะเร็งนันเนี่ยเราก็หมดสภาพแล้วแต่ณวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่อะไรทุกอย่างชัดเจนเราต้องรีบถามให้ดีที่สุดเพราะความไม่แน่นอนมันรอเราอยู่ข้างหน้าชีวิตของเราเราจะไปคาดว่าจะมีอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไม่ได้เรออกไปนี้เอาไปเชิงไปเยียบเซนมูแล้วก็เจอแล้วนะเพราะนั้นด้วยความไม่แน่นอนอนี้จะทํายังไงให้มันเคลียร์ในเรื่องของจิตวิ ญ, ญญาณของเราก่อน เผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นปับป๊บๆเนี่ยถ้าจิตใจวิญญาณเขาเคลียร์ชัดเนี่ยถ้ามันจะต้องมีการเกิดใหม่อีกเราก็ไปพบภูมิที่ดีกว่าอาจจะเข้าถึงทําได้ไวกว่าชาตินี้ได้ซ้าไปใช่ไหมมีใช่ไหมบางคน <c oughs> บวชไม่กี่วันนะบรรลุทําได้แล้วบางคนบวชตลอดชีวิตยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะไม่ได้สั่งสมอะไรมาเลยแต่เราได้เคยได้ยินได้ฟังได้สั่งสมม า, อาพอเราไปเจอครูบาอาจารย์ในวันข้างหน้ากับ ฟังแล้วบรรลุธรรมเลยก็มีเพราะเราแคสังสมมาจากนี้แล้วสังสมไม่ใช่วันนี้ที่เราจะอยู่นะสังสมมันทุกวันเพราะเราได้กุญแจแล้วเนี่ยกุญแจคือการสังเกตแบบนี้การกาหนดอย่างนี้การตามรู้แบบนี้อันนี้คือที่เราทำเพื่อที่จะได้เป็นเหตุปัจจัยเริ่มต้นที่ได้กล่าวมาเมาือนเหมือนเรานำมเมล็ดพืชลงดินแล้วเริ่มให้น้าให้ปุย๋ยไม่กี่วันมันก็จะค่อยแตก งอกออกรักไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่พบไม่ได้ยินไม่ฟังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องนี้มนเมล็ดพันธุ์คือตัวรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ค้างอยู่ในหิ่งในหอในอะไรต่างๆไม่มีโอกาสได้พอกเหน่ยในที่สุดวันหนึ่งเราเกิดต้องอ่านจะพัดภาคจากชีวิตนี้ไปจิตวิญญาณของเราก็ไม่ไม่โปร่งเพราะเราจัดการไม่ไม่เป็นเราก็ไปตาม สิ่งที่เราเคยสั่งสมมาคือความลบความกดของหลวงจิวง๋วยังเราเศร้ามองแต่พอมาทำอย่างนี้เราจะวิธีทําจิตให้โปร่งให้ใสวิธีทําจิตให้ไม่มีความปรุงแต่งรู้จักวิธีกําจัดในสิ่งที่คุณมหมวยเศ้ามองออกเป็นใช่ไหมเราก็จะทําให้จิตให้ให้ปร่งให้ใสได้ตลอดเวลาเกิดได้รผู้พับจิตเราพร้อมทันทีเลยสติปัญญามาทันทีเราก็ไปสบายแล้วก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีกว่านี้อีก นะยังไม่หมดกรรมอ่ะนะแต่เมืม่อไรหมดกรรมไม่ต้องไปเกิดอีกนะตายก็จบกันหมดกรรมละแต่ถ้าเมื่อมีกรรมมันเหลืออยู่อะ่ะมันยังไม่หมด อ, ะอ่ะได้ไปเกิดภพภูมิที่ดีกว่าได้ได้เร็วกว่านะอันนี้คืออันที่สูงที่เราจะพึงได้จากการกระทําแบบนี้นะนะช่งชงชาอันี้หมดเวลาเนาะก็อยากจะให้เราได้ตั้งใจหลังจากทานอาหารทํำรัส่วนตัวเสร็จแล้วประมาณสักแปดโมงครึง่ง น่ามาเจอกันที่นี่อีกแต่ถ้าหากวันนี้ในะช่วงกลางวันลงฝนมันไม่มีเราอาจจะเดินข้างนอกบ้างแต่ถ้ามันมีลมมีฝนทําให้เวทนาเราแรงเกินไปก็ไม่จําเป็นจะไปเรากลับมาใช้ตรงนี้นะถ้าหากว่าตรงนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรลุกบนในภายในจิตภายในห้าวันนี้นะเราต้องเก็ตอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนในระดับใดระดับหนึ่งเพราะมันมีเหตุมีผลที่มันเป็นไปได้ที่เราสามารถตรองตามเห็นได้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไร ด้วยการปรับแค่ดูแค่หนักแค่เบาเข้าออกไปมาในปรับให้เป็นกลางแค่นั้นแหละหลักของมันนะก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราจะต้องไปประคองตัวรู้ต่อไปในกิจกรรมต่อไปเป็นการปฏิบัติภาครับอาหารเชา้าก็ยังปฏิบัติอยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเลยแต่ให้ตามรู้เท่านั้นเองแล้วก็ขอให้ความตั้งใจของเราเป็นพระว่าบัจรใจให้รู้เร็วเห็นเร็วเข้าใจเร็วด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ